พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งาลำดับที่11บอโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่16ตุลาคม2559หมีชื่อเรื่องว่าออกพรรษาประวารณาต่อกันโอ้ฝนตก เว้นช่องให้เราน้อยเดียวตอนที่ตักบาทก็พอช่วงปลายๆก็มันอดกั้นไม่ได้แล้วก็เทลงมาบ้างก็ <c oughs> <c oughs> เลยชุ่มเย็นหน่อยหนึ่งผู้ที่ตักบาตคนสุดท้ายช่วงสุดท้าย <c oughs> แต่ก็นับว่าดีถ้าพระลงจากทีแรกอย่างมันลงเดียวนี่โอ้พวกเราก็คงจะลำบากทีเดียวเลยอันนี้มันยังลดงด เว้นช่องให้พวกเราได้ทำบุญทำทานแสดงว่าผู้แต่งฟ้าแต่งฝนใจบุญอยู่นะหลวงพ่อว่านะ <c oughs> <c oughs> แล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส6บหตุลาคมพุทธศักราช2559้าห้าสบวันนี้เป็นวันขึ้นส5บห้าค่ำเดือนส0บเเดือน11บ เป็นวันออกพรรษาวันนี้นะเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันปวารณาของพระสงฆ์วันนี้และก็พร้อมกันหลวงพ่อเองอยากจะกล่าวย้ำคณะศรัทธาญ า, า, าติโยมที่ประเทศชาติชาติไทยของเราประเทศของเรากำลังพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่อยู่ใต้ ร่มเงาพระบรมโพธิสมภารในหลวงของพวกเราก็ร่มโพโร่มใจของพวกเราได้คลอหรือว่าได้ล้มลงอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินนั่นแหละวันนี้เป็นวันที่สิบกพระองค์ท่านได้สวรรคตรเข้า อยู่ในบรมกอดตั้งแต่วันที่สิบสามวันนี้เป็นวันที่สิบหกเพราะน้ำขอให้พวกเราทุกหกท่านจะทายาติโยมพวกเราได้มาร่วมมารวมกันทําบุญในวันนี้ก็ขอให้พวกเราน้อมจิตอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสําเร็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราที่พวกเรารักเคารพนับถือเอถือเสมือนว่าเป็นปู่เป็นทวดของพวกเราท่านให้ คุณูปการให้กับประเทศชาติมานมนานไม่รู้ว่ากี่โครงการตุกี่โครงการโครงการพระราชดา ร, ร, ริพวกเรานับไม่ถ้วนเพราะนั้นบุญคุณของพระองค์ท่านได้ให้กับพวกเรามากผู้มีปัญญาย่อมระลึกถึงบุญคุณมากถ้าหากว่าผู้มีปัญญาน้อย ก็ระลึกถึงบุญคุณออได้น้อยถ้าผู้ไม่มีปัญญาเลยจะระลึกถึงบุญคุณของใครไม่ได้พวกเราให้ดูสิลูกของเราสามสีห้าคนห้าหคนเนี่ยบางทีสองสามคนถ้าคนไหนมีปัญญามากมีน้ำใจคนนั้นจะระลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ได้มากกว่าใครอื่นในในพี่น้องออไม่ต้องมองใครอื่นหรอกถ้าว่าลูกของเราสองสามคน พ่อมีปัญญาหรือว่าไม่มีน้ําใจมีปัญญาก็จริงอยู่ไม่มีน้ําใจก็ระลึลกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ไม่ได้พ่อแม่ทําอะไรนินดๆน่อยๆก็นนะ่าหนักจับมาสนทนาปารดจับมาผิดจับมาเป็นผิดทั้งหมด เ, เห็นเป็นโทษทั้งหมดทั้งที่พ่อแม่ของเราทําคุนูปการเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อ่อนแต่ออกตั้งแต่เราเป็นเด็ก แต่ระลึกไม่ละลึกไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะความอิดฉาเพราะความโง่เพราะความไม่มีปัญญามีปัญญาใช้ไปทางอื่นนะไม่ระลึกถึงพระคุณของท่านนี่แหละลูกของเราขนาดสามสี่ห้าคนนี่เราก็มองเห็นได้แล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องมองถึงคนในชาติประเทศชาติลูกของในหลวงน ะ, ะทั้งประเทศน ะ, ะพวกเราลักขารพบในองค์หลวงในหลวงของพวกเรา เ, เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านในการที่จะบูชาพระคุณของในหลวงในพวกเราจะทํำยังไงต่างอย่างพวกเราอยู่สุดท้ายปลายแดงนี่ยป่ารงพงไพยงเนี่ ย, งง ย, อ, ย, ยอยู่ในเขตเ อ, อสุดท้าย อ, อ, อยู่ป่า อ, อ, อยู่ต่างอําเภอจังหวัดห่างไกลจาก ก, กรุงเทพมหานครเราไปไม่ถึงแต่ให้ขอให้พวกเราทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานไว้ในใจว่า ข้าพระเจ้าจะเป็นคนดีข้าพระเจ้าจะคิดดีทำดีพูดดีเพื่อบูช า, าพระคุณของในหลวงอของพวกเราเพียงแค่นี้หลวงพ่อเองก็คิดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าหาว่าท่านทร ง, ทรงพระชนอยู่ท่านก็คงจะพอใจในพระสพในกรของพระ อ, องค์ทุกหมู่เหล่าตั้งใจเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดี เอาเถอะในช่วงที่พระ อ, องค์สวรรคารายไปนี้แหละไปว่าคกตารางนะ่อไม่มีใครเข้าคกเข้าตารางเลยเอไม่มีใครอทําความชั่วเสียหายคิดดีทดําดีพูดดีทั้งนั้นไม่มีคดีความในขณะที่พระ อ, องค์ยังทรงบวชลงมโกรยังอยู่หลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลาย ทาตนอย่างนั้นเพราะเหตุไยเพราะอันนี้คือบูชาพระคุณของพระองค์ท่านอย่างองคหลวงตามหาบัวก็เหมือนกันเมื่อท่านจุดติดนิเราผานไปเอ อ, อ, อชลีละของท่านยังอยู่ที่วัดป่าบ้านตายังอยู่ในหีบพี่น้องประชาชนชาวอุดรเออลงพ่อไป ฉันพัฒหารที่ร้านอาหารเขาบอกว่าในขณะที่จรีละของหลวงตายังอยู่ในหีบยังไม่ได้พระราชทานเพลิงเขาขายเหล้าไม่ออกเลยร้านอาหารทั้งหมดแปลว่าพี่น้องชาวอุดรระลึกถึงบุญคุณขององค์หลวงตาเหมือนกับปู่ย่าตาทวดของเรายัางมียังอยู่ใน หีบในศพให้อยู่ในหีบในโรงอยูอ่พวกเราจะไม่ทําความชั่วจะไม่ให้ขาดสติจะไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นให้ค่อยละลึกถึงบุญคุณขององค์หลวงตาพอหลวงตาท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้ลูกหลานทุกคนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นลูกหลานทุกคนเขาก็เลยบอกว่าเขาขายขายเล่าไม่ออกอในช่วงนั้น หลวงพ่อเองยังมาล้ำลึกถึงเออพี่น้องชาวอุดรของเราถึงยังไงยังไงพวกเราก็ยังออให้ความเคารพสักการะในองค์หลวงตาเพราะองค์หลวงตาเป็นร่มโพร่มใจของจังหวัดอุดร เ, เป็นส่วนหนึ่งคือในจ้าอุดรก็ถือว่าพวกเราควรให้ความเคารพพระเพราะท่านมีคุณนูปการกับจังหวัดอุดรเพราะนั้นลูกหลานผูกคนให้ความเคารพ นี้ก็เหมือนการหลวงพ่อเองอยากจะให้ขอบิณฑบาตคนในชาติทุกคนในเมื่อพระบาทสาเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรายังอยู่ในบรม ม, มกฏพวกเราทุกทุกท่านก็ควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะทำตนให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดพอคิดแล้วก็อย่าทำแล้วก็อย่าพูด ถ้าหากว่าเรามีเรื่องอะไรอยู่ในใจเราก็เก็บไว้ในใจซะก่อนเพราะยังไม่ใช่โอกาสยังไม่ใช่เหมาะสมที่จะแสดงความเห็นแย้งในเรื่องต่างๆแต่เว้นเสียแต่ว่าผู้เป็นผู้ใหญ่เดินผิดที่ผิดทางอันนั้นเราก็ให้ว่ากาวตักเตือนนันเป็นธรรมดาว่ากาวตักเตือนกันเป็นธรรมดาแต่ถึงยังไงก็ตามขอให้คนในชาติอยู่ในความสงบ ไว้ก่อนในช่วงนี้ให้เชื่อผู้ใหญ่ไว้ก่อนก็ไม่นานนะไม่นานเพียงปีเดียวไม่คงจะไม่เสียหายอะไรมากให้ฟังวให้ฟังกันไว้ก่อนให้เคารพไม่ใช่ว่าหลวงปา่าก็พูดอะไรออกไปทำให้เสียหายได้ง่ายดังอย่างโซงโซเซียนทุกวันนี้มันออกได้ง่ายที่สุดเพราะนั้นขอหลวงพ่อเองในฐานะพระสงฆ์อยู่ในป่าหรงพงไพหลวงพ่อเองอยากจะให้ อยากจะบินทบบาททุกๆคนลูกหลานทุกคนคนในชาติถ้าอยู่ในความสงบนะให้มองไปในทางเดียวกันให้หยุดเน่งคิดดีทำดีพูดดีประเทศชาติของเราจะร่มเย็นเป็นสุขถ้าพวกเราคิดแข่งแย่งกันในช่วงนี้ไม่ดีนะคณะสัตยา ญ, ญาติโยมเหมือนกับเราแย่งชิงอะไรกันเกิดขึ้นเมื่อเร่งแย่งชิงกันเกิดขึ้นการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นเราปราถนาไหม อย่างประเทศที่เขาทะเลาะวิวาทกันคาชิงชิงดีชิงเด่นกันผลในสุดก็แตกกระจุยกระจายออกนอกประเทศอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นทั้งหลายประเทศที่พวกในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยของเราถึงอย่างไงก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นเถอะนะประเทศไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติมานมนานให้พวกเรา ให้มีเมตตาต่อกันจะคิดจะทำอะไรก็ให้มีเมตตาต่อกันคิดดีทำดีพูดดีเพื่อบูชาพระคุณของพ่อมันจึงจะถูกนะหลวงพ่อว่านะถ้าว่าพวกเรามีความแก่งแย่งกันนิดๆหน่อยๆก็ให้อภัยกันไม่ได้อันนั้นไม่ใช่มันไม่เป็นผลดีการทะเลาะวิวาทกันไม่เป็นผลดีต่อชาติบ้านเมืองของพวกเรา ถ้ามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ช่วยกันจะทำยังไงอยางหลวงพ่อก็เหมือนกันน่ะใครพี่น้องประชาชนคนในทางในกรุงจะให้ทำอะไรหลวงพ่อก็พร้อมที่จะเดินตามแนวแถวที่พวกเราคิดว่าดีแล้วนี่แหละขอให้ช่วยช่วยกันนะพี่น้องลูกหลานอันนี้ก็คือหลวงพ่อย้ำกล่าวเกี่ยวกับ พระ อ, องค์ท่านที่ท่านจากไปคือปู่ทวดของเราเร่มโพร่มไซของพวกเราถ้าหาลกูกหลานให้ความเคารพแล้วก็ควรจะเป็นปฏิบัติตนให้เป็นคนดีและก็วันนี้หลวงพ่อได้ย้ําว่าวันนี้เป็นวันปวารณาออกพรรษา เ, เป็นวันพระสงฆ์ที่ปวารณากันคาว่าปวารณาคํานี้กันเนี่แหละอันสืบเนื่องมา เมื่อพระสงฆ์อยู่ด้วยกันนานก็ต้องมองเห็นกันว่าผิดถูกนะต้องมีผิดมีถูกกันอยู่ด้วยกันบางทีตัวเองมองไม่เห็นความดีของตัความชั่วของตนเองความไม่ถูกไม่ถูกต้องของตนเองแต่องค์อื่นเขามองเห็นเหมือนกับเรานะฝุ่นเข้าตาของเราเรามองไม่เห็นนะเพราอยู่ใกล้ตาทําไมมันเข้าตาทําไมมองไม่เห็นทําไมจึงเ อ, อเอาออกไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นนะ เป็นคนเขียออกจากตาของเรานี้ก็เหมือนกันนั่นแหละบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องเรามองไม่เห็นก็ต้องให้หมูพวกเพื่อนที่มองเห็นคุณงามความดีมองเห็นที่สิ่งที่มันไม่ดีท่านก็บอกว่ากาวตักเตือนพวกเราเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกทท่านเนะ้อศรัทธาญาติโยมจะนำไปใช้ก็ไม่ผิดเหมือนกันนะคว่าปรวรณาคานี้นะ่ะ เ, เมื่อข้าพเจ้าทําสิ่งใดก็ตามขอให้พวกท่านทั้งหลายในครอบครัวสามีภรรยาลูกทุกค น, นว่ากล่าวตักเตือนพ่อได้เนอะว่ากาวตักเตือนแม่ได้เนออย่างนี้แห ล, ยอยละอย่างหลวงพ่อในวันนี้กับประวัลนาในสงฆ์เนีนเ่ยสร้างคำอวโุโสปวาเรเมิตรเทนวาจุเตนวาท่านทั้งหลายเห็นการกระทําของหลวงพ่อเนี่ยลวงพ่ออินเนี่ย ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอให้พวกท่านทั้งหลายว่ากาวตักเตือนหลวงพ่อใดเนอ้อถ้าหลวงพ่อทำไม่ถูก น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือการประวรนากันในวันนี้เพราะนั้นถึงวันนี้แล้วก็เป็นวันพระพวกเราคณะทายาติโยมก่อนเข้าพรรษาพวกเราก็ได้มากราบมาไหวมาเข้าพรรษาที่นีนะ่ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานพระพระอุดมมงคล พระพุทธอุดมมงคลนะเอ่อข้าเพาเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดไตรามาศสามเดือนข้าเพาเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่ได้ขาดเอ่อข้าเพาเจ้าจะโคตอบายยมกอย่างนี้เป็นต้นนะหลายๆอย่างหลายหลายคนหลายๆแนวความคิดนะแต่ถึงยังไงวันนี้ออกพรรษาแล้วนะถ้าหาว่าผู้ใดออกพรรษาแล้วมั่นขาดตกบกพร่องนะสมมติว่า เ, เราจะไหว้พระทุกวันจะมันขาดเราก็เอา เ, ออเสริมเขาไปอีกก็ได้ทำวัยพระต่อให้ต่อไปอีกก็ได้แต่หากว่าเนี่ยมันบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วพวกในวันนี้นะพวกเราก็มากราบขอพรจากพระประธานนะพระพุทธองค์มงคลข้าพระเจ้าออได้ประกอบคุณงามความ ด, ดีตลอดตลอดไตรมาสสามเดือนรักษาศีลห้างดจุรางดปูรีงดที่สิ่งที่ข้าพรเจ้างดได้ยากมาก ด้วยอเนกสงบุกุศนที่ข้าพเจ้าได้กระทําแล้วนั้นก็ขอให้ข้าพเจ้าจงเจริญยิ่งด้วยยราบยศสรรเสริญสุขและก็ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้ า, ามีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขราบรื่นจะได้มีอุปสรรคนานับประการเนี่พวกเราก็ขอพรจากพระพุทธอุดรมมงคลฮะเมื่อเราทําดีแล้วเราขอพรฮะไม่ใช่ว่ า, าปลกปรับมามีแต่ไปขอพรไปก้าวัด แต่ทั้งที่ตัวเองกินเหล้าออหัวฟัดหัวเวียงนะไปขอพอรมันันมันไม่ถูกนะต้องเราต้องทำดีซะก่อนเราจึงขอพอร เ, ออเหมือนสมัยครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเราต้องทำบุญซะก่อนเราต้องตักบาตรซะก่อนทำบุญถวายพัทหารซะก่อน เ, ออเราจึงค่อยออขอพอรต่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะเราทุกท่านประกอบคุญงามความดีแล้ว บัดนี้ออกพรรษาแล้ววันนี้พวกเราก็ตั้งจิตนธตถิฐานก่อนจะกลับออกจากบ้านหกออกจากวัดหลวงพ่อไปเราก็ตั้งจิตนัตถิฐานต่อหน้าพระประธานขอพรจากพระประธานขอให้คุ้มครองหลวงพ่อมั่นใจว่าพร น, นั้นจะคุ้มครองคณะจัตตาญาติโยมโลูกหลานทุกคนจะมีแต่ความสุข ก, กายสุขใจท่งว่าไม่เหลือวิสัย เ, เว้นเสียแต่เล่าขอเอขอพรเออ เกินไปใช่ไหมเราทำน้อยๆนึงเราก็ขอพรมากอันนี้อันนั้นอาจจะไม่ได้สมความมุ่งมา่ปรารถนากระทัางว่าเราขอพรตามที่พอเหมาะพอสมพอควรอ่ะพรนั้นคงจะประสิทธิ์ประสาทธิ์ให้กับพวกเราทุกๆท่านเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านเนอถึงจะออกพรรษาแล้วก็ตามเราขอให้ประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆอย่าสิ่งที่มันสิ่งไหนที่มันไม่ดี อย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นเพราะเหตุไยเพราะชีวิตของพวกเราเนี่ยมันมีจุดจบนะมันมีจุดจบถึงจะพระพุทธเจ้าก็เถอะนะพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านพระอราหารันตสาวกองค์หลงตามหาบัวครูบาอาจารย์ของพวกเราตลอดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ยัง เ, ออเข้าสู่สวรรค์นาคารายออพวกเราท่านทั้งหลายเป็นใครล่ะจะอยู่โชกฟ้าดินสลายออจะไม่มีจุดจบอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนมีจุดจบควรประกอบครรอบุณงามความดีไม่ควรจะหลงละเลงไม่ควรจะลืมตนมากจนเกินไปควรควรประกอบคุณงามความดีควรสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราหนะ่าคณะ ท, ะทาญาติโยมหนะ้า ในหลักของพุทธศาสนาและท่านบอกตายแล้วไม่สูญในจุดนี้ละ่ะให้ศึกษาะจะเชื่อหรือไม่เชื่อให้ศึกษาไว้ก่อนอย่าเพิ่งปฏิเสธแต่ให้เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อพ่อแม่ครูจักครูบาอาจารย์ไว้นะ่ะดีกว่านะถ้าหาว่าไม่เชื่อเราก็ยังอย่า ป, ปฏิเสธหัวชนฝาทีเดียวเราก็ต้องพิสูจน์ทำอะไรยังไงในหลักของพุทธศาสนาท่านจึงบอกตายแล้วเกิดพิสูจน์ยังไง ทุกวันเนี่ยมันต้องพิสูจน์ทั้งนั้นแหละเราจะทําอะไรต้องพิสูจน์อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูดเราต้องพิสูจน์การพิสูจน์ของเราทํำยังไงกันนั่งสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอย่างพระประธานเนี่ยทำตามจิตใจให้นั่งจิตใจให้สงบพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นแหละจิตใจคืออะไรคือตัวผู้รู้ตัวนึกตัวคิดเนี่ยตัวที่มันคิดคิดน่ยตัวสมองเขาว่านะ แต่ภาษาภาตะวันนี้เขาว่าสมองแต่ในหลักของพุทธศาสนาท่านวัดใจนะตัวผู้รู้ตัววิญญาณตัวนามธรรมตัวนั้นอนะ่ะอันนี้เรียก ว, ว่า ว, วิญญาณตัวนั้นแหละถ้าจิตใจดวงนั้นรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อสงบลงเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้และกายกับใจเป็นคนละอันกันกายกับใจใจกับกายนะ เ, เป็นคนละอันกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะพิสูจน์นะ จากนั้นเมื่อเราตายร่างกายเนี่ยตายแน่นอนฮชแต่ตัวนามธรรมตัวจิตใจนั้นออกจากร่างนั่นเอไปหาเกิดไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆนั่นแหละถ้าว่าตายแล้วไม่ศูญจุดนั่นแหะตัวดวงวิญญาณออกจากร่างนั้นแหะตายแล้วไม่สู์บุญกุศลใครทําบาปบาปอากุศลจะเป็นผู้พานําไปถ้าใครใครช่างบุญบุญกุศลจะเป็นผู้พานําไป นี่แหละหลักของพุทธศาสนาให้พวกเราศึกษานในจุดนี้นะคณะสัยาาโยมลูกหลานทุกคนเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์เช้านุมโมทนาให้พรรับพรนะแล้วก็วันที่23นะกระถินวัดของเราสัทยาญาติโยมต่างถิ่นต่างแดนต่างาจังหวัดทุกคน เ, เมื่อได้ยินเสียงหลวงพ่อแล้วก็ลูกหลานทุกคนมาได้นะไม่มีไม่มีบัตรเชิญ ไม่มีใบบอกกล่าวเรื่องกล่าวเรื่องกระถินนะไม่มีมีแต่บอกอย่างนี้ล่ะหลวงพ่อบอกเนี่ยวันกระถินหลวงพ่อวันที่23่สเนอะเป็นวันปิยะด้วยวันนั้นะ่ะแล้วก็คงจะวันที่24คงจะเป็นวันหยุดชดเชยอีกนะพวกคณะทายาิโยมลูกหลานทุกคนที่อยู่ทางไกลก็มาได้นะมาวัดหลวงพ่อ แล้วก็ถ้าผู้อยู่ไกลมาไม่ได้หรือไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรนะยกเหมือนเออผู้ฆ่าอัลหมุนาเนอร์กฐินหลวงพ่อปีนี้ผู้ฆ่าไม่ได้ไปเพราะผู้ฆ่าทั้งหลายติดธุร ะ, ะ, ะเพราะธุระของคนไม่เหมือนกั น, นมันมีไม่แตกแตกต่างกันเหมือนกับธุระของหลวงพ่อบางทีเขานิมนต์จาเป็นอยู่แต่มันไปไม่ได้ พอทุระหลวงพ่อก็เหมือนกับทุระของพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหละแต่ถึอยังไงก็ตามนะปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวกรถิ่นของหลวงพ่อไม่มีสองครั้งน ะ, ะกระถินวัดป่านาคาน้อยถ้ามีโอกาสพอที่จะมาได้ก็เชิญนะลูกหลานนะบอกกล่าวกันทุกทุกคนมาตินมากินข้าวต้มขนม ข, นม ข, นมของหลวงพ่อนะวันนั้นนะั้ลูกหลานนะต่อใ น, นไปพระสงฆ์อนุโมธนาให้พรรับพร อ, อุทิศโนกุศล และก็พร้อมกันก็ถวายเป็นพระราชสุขุศลต่อพระบาทสมเด็จเอออยู่ในพระบรมมกรธของพวกเราด้วยนะลูกหลานนะทุกคนนะพวกเราอยู่ใต้ร่มเงาพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขเออถ้าหากว่าช่วงไหนปีไหนฟ้าฝนฝนไม่ตกเนะพระองค์ท่านก็นะคิดออประดิษฐ์ขึ้นมาทำฝนเทียมพวกเราก็ได้ยินกันทั่วหน้า และอย่างอื่นอีกมีตั้งเยอะแยะไปหมดเลยโครงการของพระ อ, องค์อองท่านให้ความร่มเย็นเป็นสุข ก, กับพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นละ่ะพวกผู้มีปัญญาและ ล, ะลึกถึงบุญคุณบุญคุณได้มากหลวงพ่อได้พูดไว้แล้วนะพระนกขอยพวกเราทุกท่านลำลึกถึงพระคุณขององค์ท่านกระพร้อมกันเมื่อท่านจุติ ไปแล้วเข้าสู่สวรรค์นักคาไรายไปแล้วพวกเราอยู่เบื้องหลังก็น้อมถวายบุญกุศลที่พวกเราได้ประกอบคุณงามความดีในแต่ละครั้งขอให้พระองค์ท่านจงมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างที่พวกเราตั้งตกตั้งใจตั้งความปรารถนาในประสบนิกรพวกเราท่านทั้งหลาย